คนไทยไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรนะคะส่วนมากจะกลัวผีทั้งทั้งที่ไม่เคยเห็นตัวตนของผีว่าเป็นอย่างไรบางคนกลัวจนน่าสงสารค่ะพอตกค้ำฟ้ามืดหน่อยก็ไม่ยอมออกไปไหนแล้วแม้แต่จะเข้าห้องน้าในบ้านของตัวเองแท้ก็จะต้องให้คนในบ้านค่ะมานั่งรอหน้าห้องน้ำคอยคุยเป็นเพื่อนตลอดเวลาบางคนได้ยินเสียงเดินของแมวบนหลังคาค่ะยังเข้าใจว่าเป็นเสียงเดินของผีไปน่น อากาศร้อนแค่ไหนนะคะก็ดึงพ่อห่มขึ้นมาคลุมหัวเพราะกลัวว่าผีจะมาหาค่ะกลัวผีมาลอยอยู่เหนือหัวเตียงพูดถึงความกลัวแล้วให้ย้อนนึกถึงตัวเองตอนเป็นเด็กนะคะเวลาที่ผู้ใหญ่เขาเล่าเรื่องผีให้ฟังแล้วก็ชอบฟังนะคะแต่ว่ากลัวค่ะถ้าเล่ากลางคืนนี่จะไม่ยอมอยู่นอกองต้องไปนั่งอยู่กลางวงให้ได้ เป็นเรื่องแปลกแต่จริงนะคะคนกลัวผีเนี่ยจะชอบฟังเรื่องผีชอบดูหนังผีชอบดูละครผีอ่านหนังสือผีคนที่จะสร้างหนังสร้างละครเนี่ยเขาจะจับจุดตรงนี้ได้ หนังเรื่องผีหรือว่าจะเป็นหนังสือผีก็เลยขายดีโดยเฉพาะหนังบนจอใหญ่แล้วก็จอเล็กนะคะออกสู่โรงเมื่อไหร่ออกสู่จอเมื่อไหร่คนสร้างก็รอรับตังค์อย่างเดียวเลยเรื่องขาดทุนแทบจะไม่มีค่ะยิ่งสร้างให้หน่ากลัวมากเท่าไหร่ยิ่งขายดีเพราะว่าคนกลัวผีในโลกนี้มีมากมายในทุกเชื้อชาติไม่ว่าจะเป็นไทยจีนฝรั่งคนไทย ต้องเป็นเรื่องผีแม่นาคพระขนงค่ะสร้างกี่ครั้งก็ได้เงินทุกครั้งปิดประตูขาดทุนไปได้เลยเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาคนสร้างหนังไทยหัวดีสมองใสก็เอาเรื่องแม่นาคมาปัดฝุ่นหม่แล้วก็ใช้ชื่อใหม่เป็นพี่มาก คนแสดงล้วนเป็นคนหนุ่มคนสาวสมัยใหม่ผู้กำกับการแสดงก็ใหม่ค่ะปรากฏว่าปีนั้นโอ้โหรายได้จากการขายตั๋วหนังหน้าโรงถล่มทลายทําเอาหนังฝรั่งชิดซ้ายเป็นแถวเพราะว่าพี่มากพาผู้สร้างรวยเป็นพันล้านมีหนังไทยเรื่องไหนทําได้ขนาดนี้บ้างคะนอกจากพาเจ้าของหนังรวยแล้วค่ะยังพาดารานักแสดงในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นพระเอกนางเอกแล้วก็ตัวประกอบได้เกิดบนจอใหญ่กันเป็นแถวเลยทีเดียว เรื่องผีที่จะเล่าต่อไปนี้นะคะเก็บรวบรวมได้จากผู้ที่มีประสบการณ์ทั้งหลายที่ได้บันทึกไว้ในหนังสือต่างๆบางเรื่องราวก็จากประสบการณ์ของพระทุดงกรรมฐานเมตตาเล่าให้ลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดฟัง ลูกศิษย์ของท่านก็นำมาเล่าถ่ายทอดอีกทีเพื่อเป็นวิทยาทานแก่ชาวโลกนำไปพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของผีแล้วก็วิญญาณเพื่อเป็นการยืนยันว่าผีมีจริงหรือไม่ก็อย่างเรื่องนี้ค่ะเรื่องของผีมาเยี่ยมนะคะนี่ก็เป็นเรื่องจริงอีกเรื่องหนึ่งที่ฟังดูแล้ว หน้าขนลุกขนพองพอสมควรค่ะเป็นเรื่องของเพื่อนนำมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อนบอกว่ามีหลานชายอยู่คนหนึ่งชื่อไอ้หนูแดงตอนนี้ก็อายุประมาณ5ขวบแล้วบริเวณบ้านนี่จะมีสระน้ำขนาดใหญ่จะไม่ใช่สระว่ายน้ำนะคะเป็นแค่สระน้ำธรรมดาที่มีพวกดอกบัวมีปลาน้ำจืดอาศัยอยู่หลายชนิดสระนี้มีความลึกแค่คอค่ะของผู้ใหญ่นะคะก็ไอ้หนูแดง หลานของเพื่อนคนนี้มันก็ชอบออกไปเดินเล่นริมขอบสระเป็นประจำแล้วก็ลื่นตกลงไปในน้ำเป็นประจำด้วยแต่ทุกครั้งที่ตกลงไปก็จะมีคนเห็นแล้วก็รีบมาช่วยไว้ได้ทันทุกครั้งจึงไม่เป็นอันตรายใดๆนะคะ และในคืนวันหนึ่งค่ะเด็กชายหนูแดงก็เกิดอาการประหลาดซึ่งปกติเขาก็จะเป็นเด็กที่ไม่ค่อยกลัวอะไรแต่ว่าในคืนวันนั้นเวลานอนเขาจะเกิดอาการหวาดกลัวมากหวาดกลัวจนถึงกับตัวสั่นเหงื่อเปียกชุ่มไปทั้งตัวตามปกติหนูแดงจะนอนกับลูกชายของเพื่อนนะคะแล้วก็อาการสั่นของหนูแดงเนี่ยก็จะมีอาการสั่นที่น่ากลัวมากคือเวลานอนหลับก็ชอบละเมออาการแปลกประหลาดของหนูแดงทาให้เพื่อน ที่เป็นผู้เล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งเนี่ยนะคะบอกว่านอนไม่หลับเลยต้องลุกขึ้นมาคอยนั่งคอยเฝ้าดูอาการของหลานอยู่ตลอดเวลากลัวว่าเขาจะแสดงอาการแบบนี้ออกมาแล้วเกิดอันตรายเกิดช่อเกิดอะไรขึ้นมาแต่เขาก็จะแสดงอาการแบบนี้เวลาประมาณ4ี่ทุ่มนะคะบางครั้งก็ร้องออกมาด้วยความกลัวว่ามีคนจะมาทําร้าย เขาจะแสดงอาการกลัวจนตัวสั่นเทิมเหงื่อผุดออกมาท่วมตัวลุงก็เลยต้องเอามากอดไว้แล้วก็ปลอบว่าไม่ต้องกลัวนะลุงอยู่นี่ไม่มีใครทําอะไรได้หรอกยิ่งดึกอาการของหนูแดงก็ยิ่งมากขึ้นเป็นทวีคูณค่ะลุงก็จับตัวเขยา่าแล้วก็ถามหนูแดงว่าเป็นอะไรกลัวอะไรบอกลุงมาซีลุงจะจัดการให้เขาบอกว่ามีคนตัวดําๆสูงใหญ่มายืนอยู่ปลายเตียงของเขาบ้างก็ไปยืนอยู่ปลายเตียงของลูกชายบ้างก็มายืนอยู่ปลาย งงของลุแรกๆนะคะเพื่อนที่เป็นลุงของหนูแดงเนี่ยก็บอกว่าหนูแดงคงจะเพ้อเจ้อเพราะมองไป ร, บรอบๆทั้งหัวเตียงปลายเตียงของทุกคนแล้วคือไม่มีใครตัวดําๆยืนอยู่ไม่เห็นคนตัวดํานั้นเลยหนูแดงตาฝาดไปหรือเปล่าลูกหนูแดงเขาก็เถียงบอกว่ามีแล้วก็พูดเรื่อยว่าอยู่ตรงโน้นบ้างตรงนี้บ้าง แต่ด้วยความสงสารหลานก็เลยให้เขานอนเตียงด้วยแล้วก็กอดใบแนบอกอาการหนูแดงก็ยังไม่หายก็คือยังคงเหมือนเดิมนะคะจนกระทั่งวันที่สอง อาการหนูแดงก็เหมือนเดิมไม่ดีขึ้นเลยก็เลยนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยไปเล่าให้ลุงของเพื่อนฟังอีกทีหนึง่งก็คืออาจารย์บุญมีเมทางกูลว่าหนูแดงหลานชายของเขาเป็นอะไรแล้ววันนั้นก็เป็นวันเสราร์ลุงไม่ได้มาทำงานก็เลยตั้งใจว่าวันจันทร์จะไปหาลุงบุญมีแต่ก็ได้เล่าเรื่องหนูแดงให้ผู้ใหญ่ในละแวกอ่านละแวกบ้านฟังนะคะต่างก็ลงความเห็นว่ากลางวันเด็กมันเล่นมากพอนอนกลางคืนก็เก็บเอามาละเมอก็ ไม่เคยคิดว่าคนจะตายจะมีอาการดังกล่าวนี้ขึ้นมาได้จนกระทั่งวันที่3ไปจ่ายตลาดปล่อยให้เด็กที่บ้านเนี่ยคอยดูแลเขาวันนั้นเป็นวันอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันมีอะไรมาดนใจเด็กที่ทำงานบ้านให้เกิดขยันขึ้นมาเก็บกวาดสนามบริเวณบ้านทำความสะอาดเป็นการใหญ่ จนลืมเด็กชายหนูแดงหลานชายของเพื่อนที่ฝากไว้ให้ดูแลมัวแต่ทําความสะอาดบริเวณบ้านซึ่งตามปกติแล้วหน้าที่ของเด็กทํางานบ้านคนนี้เนี่ยมีหน้าที่ปัดกวาดถูบ้านธรรมดาเท่านั้นงานอย่างอื่นเขาไม่เคยทําเลยแต่วันนั้นเขานึกอะไรของเขาไม่ทราบเกิดขยันขึ้นมาเก็บกวาดบริเวณสนามเก็บใบไม้ที่ร่วงลงมาตามพื้นแล้วก็ต้นไม้กิ่งไม้แห้งเป็นการใหญ่ทําให้ลืมหลานชายของเขาที่ฝากไว้ จนสนิทเลยนะคะยิ่งเป็นที่น่าแปลกใจมากก็คือเด็กทำงานบ้านคนนี้อยู่มา 3-4 ปีไม่เคยได้ทำงานพวกนี้เลยจนกระทั่งบ่าย 2- องสาโมงเขานึกได้ตกใจเดินหาหนูแดงเป็นการใหญ่แต่ก็หายยังไงก็ไม่พบเธอก็เลยกลับเข้าใจว่าหนูแดงเนี่ยหนีออกจากบ้านตามไปหาคุณลุงหรือเปล่าอ่าก็เลยรีบไปถามว่าหนูแดงเนี่ยมาหาหรือเปล่าลุงก็เลยบอกว่าไม่ เอาละสีข่าวนี้อนละเวงกันทั้งบ้านเลยนะคะช่วยกันค้นหาตามซอกตามมุมแต่ก็ไม่เจอทุกคนเริ่มใจคอไม่ดีคิดไปต่างๆนานาลุงที่เป็นเพื่อนของผู้เล่านี่ค่ะก็เลยนึกถึงสระน้ำขึ้นมาเพราะว่าหนูแดงชอบเดินเที่ยวเล่นริมขอบสระเป็นประจำตกน้ำก็หลายหนแต่ว่ามีคนเห็นและช่วยขึ้นมาได้เมื่อคิดได้เช่นนั้นก็เลยรีบวิ่งไปดูที่สระน้าแต่ก็ไม่พบ แต่ก็ได้เกิดเอกใจขึ้นมาว่าหนูแดงจมน้ำอยู่ใต้สะจึงช่วยกันลงไปงมหาที่สะก็พบร่างของหนูแดงเสียชีวิตแล้วทุกคนต่างก็เสียใจจนทำอะไรไม่ถูกผมเสียใจมากกับการจากไปของหลานนะคะอันนี้เพื่อนเล่าให้ฟังบอกว่ามีความรู้สึกเหมือนว่าหนูแดงเป็นลูกชายของเพื่อนอีกคนนึงก็เลยทั้งรักแล้วก็เอ็นดูมาตลอดความผูกพันนี้มันยากที่จะลืมเลือนได้ง่าย หลังจากที่หนูแดงตายไปแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งพอตกกลางคืนลูกชายของของตัวเพื่อนเองค่ะก็ได้อายุประมาณสองขวบเหมือนกันเวลาจะเข้านอนก็จะร้องไห้โวยวายเหมือนเขากลัวอะไรสักอย่างจนไม่ยอมหลับยอมนอนเขาจะบอกผมว่ามีตัวอะไรดำๆมาอยู่ที่เตียงเขากลัวจนตัวสั่นไปหมดอย่างนี้3ามสี่คืนทนไม่ไหวคิดว่ามันจะต้องมีอะไรผิดปกติขึ้นมาก็เลยนําความไปเล่าให้ลุงบุญมีฟังเพราะว่าลุงบุญมีเนี่ยต้องรู้ เพื่อนเชื่อแบบนี้เนะคะลุงเพราะว่าลุงมีอะไรพิเศษในตัวสามารถรู้เหตุการณ์ลึกลับได้เสมอด้วยการนั่งทางในสำรวจ ด, ดูลุงบอกว่าไม่มีอะไรหรอกที่ลูกชายผมไม่ยอมหลับยอมนอนเห็นตัวอะไรดำๆอยู่บนเตียงจริงๆแล้วสิ่งที่ลูกชายเห็นนั้นก็คือวิญญาณของหนูแดงหลานของเขาเองที่จมน้าตายมาเล่นด้วยแต่หนูแดงมาในสภาพที่ไม่น่าดูเพราะเกิดไม่ดีจึงตัวดามืด จนลูกชายจำได้ไม่ได้ว่าเป็นหนูแดงตามปกติลูกชายกับหลานเนี่ยคือจะเล่นกันตามประสาเด็กอ่ะเนาะเมื่อเป็นเช่นนี้ลุงบุญมีก็เลยทำพิธีให้จากวันนั้นเป็นต้นมาลูกชายาวัยสองขวบของเขานะคะก็ไม่ร้องไห้งองแงว่ากลัวๆอีกแล้วคงเป็นเพราะว่าวิญญาณของหนูแดงไม่มารบกวนอีกแล้วนั่นเองค่ะ อันที่จริงผีหรือว่าวิญญาณของคนมีอยู่ทุกคนทุกแห่งในแผ่นดินไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็มีหมดค่ะก็คนเราแต่และคนตายมาแล้วกี่พบกี่ชาติหากวิญญาณมีตัวตนป่านนี้คงไม่มีที่ให้ยืนกันแล้วนะคะท่านทั้งหลายคิดหรือว่าบริเวณบ้านของท่านจะไม่มีผีไม่มีวิญญาณ ไม่มีกระดูกคนตายทับถมกันอยู่เพียงแต่ว่าผีหรือวิญญาณเหล่านั้นไม่สำแดงตนออกมาให้เห็นเท่านั้นเองวันไหนที่ท่านอยู่บ้านคนเดียวเคยสังเกตบ้างไหมคะว่ามีเสียงคนเดินอยู่บนชั้น2หรือไม่ก็มีเสียงคนนั่งคุยกันยิ่งกลางคืนตกดึกนะคะลองสังเกตดูโดยเฉพาะวันพระใหญ่ขึ้น15าค่ำหรือแรม15าค่ำจะได้ยินเสียงแปลกๆ แ, แววมาหรือไม่ก็อาจจะได้ยินเสียงสุนัขเห่าหอนเป็นทอ ด, ทอด สุนัขหอนไม่ใช่เห่านะคะโบราณท่านบอกว่าสุนัขหอนคือมันเห็นผีเพราะว่าในตาสุนัขของมันเนี่ยจะมีเลนส์พิเศษสามารถมองเห็นพวกกายทิพย์ได้เช่นพวกผีนะคะดังนั้นวันไหนที่เสียงสุนัขมันพากันหอนรับกันแล้วก็ระวังนะคะพวกมันมาแล้วต่างจังหวัดหอนบ่อยค่ะสมัยก่อนตอนเป็นเด็กน้อยหอนรับกันเป็นทอดๆจากท้ายหมู่บ้านมาถึงนู่นคุ้มวัดจากคุ้มวัดตีกลับไปท้ายหมู่บ้านชอบเป็นอย่างนี้ประมาณ สี่หทุ่มแต่ว่าต่างจังหวัดนะคะประมาณทุ่มสองทุ่มนี่ก็มืดแล้วมืดที่แบบไม่ได้ไม่ได้หมายถึงว่ามืดแบบพระอาทิตย์ตกดินนะคะทุกที่ตกดินหมดมืดแบบเงียบเงียบกริบเลยเหมือนประมาณสักตีหนึ่งตีสองนะคะอะและทั้งหมดนี่คือเรื่องราวที่เรานํามาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันในวันนี้นะคะผิดพลาดประการใดกราบขออาภัยมาณที่นี้แล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ